กรรมที่ทําให้เป็นสิวเห่อจัดถามอยากทราบว่าการมีสิวแบบขึ้นเห่อมากๆไม่ใช่แค่เม็ดสองเม็ดเนี่ยเกิดจากการที่เราไปทํากรรมอะไรไว้ทำไมคนอื่นๆบางทีเขาไม่มีสิวเลยทั้งที่การดูแลรักษาทําความสะอาดและทานอาหารมันเหมือนกันปัจจัยแวดล้อมภายนอกก็ไม่แตกต่างกันแถมสิวของดีฉัน รักษาอย่างไรก็ไม่หายขาดแล้วถ้าเป็นเพราะกรรมเก่าจริงควรทำบุญแบบไหนเป็นการแก้ดีตอบสิวเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งแล้วตัวการที่โดนโทษมากกว่าเพื่อนคือฮอร์โมนแอนโดรเจนแม้แบคทีเรีย หรือเชื้อโรคอันเกิดจากการไม่รักษาความสะอาดยังเป็นรองส่วนจำนวนสิวจะมากหรือสิวน้อยนั้นตัวชี้บอกอันดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องของการรักษาความสะอาดไม่เชื่อเรื่องของอาหารไม่เชื่อเรื่องของฤดูกาลไม่เชื่อเรื่องของอารมณ์ร้ายแต่เป็นเรื่องของกรรมพันธ์ขอให้สังเกตุว่าถ้าโรคไหนมีชนวนจากกรรมพันธ์เป็นหลัก โรคนั้นจะปราบยากมากถึงยากที่สุดฮอร์โมนและกรรมพันธุ์เป็นองค์ประกอบทางกายเป็นเรื่องของรู ป, ปรธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆทางกายก็ถูกกาหนดด้วยกรรมเก่าทั้งสิ้นจะหยาบหรือปราณีตแค่ไหนจะน่ามองหรือน่าเมินจะอยู่สบายหรืออยู่ไม่สุขล้วนไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญ ไม่ใช่เรื่องที่จะถูกสิ่งแวดล้อมกำหนดโรคหรือข้อบวกพร่องทางกายที่รักษายากจะฟ้องว่าเคยทำบาปไว้หนักหรือนานกรรมเก่าซึ่งทำหน้าที่คุมรูปกายนี้จึงยื้อไว้ยืดเยื้อไม่อนุญาตให้มีทางออกง่ายนักหากมองด้วยภาพรวมสิวบนใบหน้าทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับหน้าตาหรือแม้ไม่ห่วงสวยห่วงงาม ตลอดชำระล้างทำความสะอาดหรือแม้จะนั่งอยู่เฉยๆก็อาจเจ็บปวดทรมานบนใบหน้าได้นับว่าเป็นวิบากที่ทารุณไม่เบาวิบากที่เกิดขึ้นกับใบหน้ามักมาจากกรรมที่ทําประจำจนติดเป็นนิสัยหรือมาจากกรรมที่ทําอย่างหนักหน่วงกับบุคคลอันเป็นผู้ทรงคุณ ส่วนใหญ่กรรมเก่าของคนเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังจะมาจากหนึ่งการพูดประทุษร้ายการกล่าวตู่ผู้ทรงคุณเป็นนิดผู้ทรงคุณในที่นี้หมายถึงผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาหรือผู้มีศีลบริสุทธิ์ตลอดจนอริยบุคคลในพุทธศาสนาตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอระหรันต การเป็นโรคผิวหนังจากกรรมประเภทนี้มักมาในรูปที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดความแสบร้อนหรือเป็นผื่นคันทรมานรวมทั้งการมีสิวเห่อเป็นแผงงชนิดกำจัดยากกำจัดแล้วก็เป็นอีกพรอมเหมือนผิวหนังจะถูกสร้างขึ้นมาจากวัีทุจริตโดยตรง 2. การกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นเกิดบาดแผล หรือใช้ยาพิษกับศัตรูประเภทเอาหมามุ้ยไปโรยกแกล้งชาวบ้านด้วยความสนุกคึกขนองบ่อยๆหรือประเภทอึงหวงสามีแล้วเอาน้ำกรดไปสาดหน้าเมียน้อยเหล่านี้อาจเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังได้ตั้งแต่ขั้นบอกๆตามหน้าตาไปจนถึงขั้นร้ายแรงขันขยเยอเหือแสบทั่วทั้งร่างกายนอกจากกรรมเก่าแล้ว กรรมใหม่ก็เป็นเหตุให้เกิดสิวได้พิสดารเช่นถ้าคุณเป็นคนดีมีศีลสัตย์สะอาดหมดจดสักห้าปีผลคือจะมีผิวพันละเอียดผุดผ่องขึ้นกว่าเดิมมากทีนี้พอพลาดไปทำเรื่องโลภโลภกรธโกรธชนิดหน้ามืดยืเดเยื้อสักครึ่งชั่วโมงสิวอาจผุดขึ้นมาทันตาเห็นถ้าผิดน้อยหน่อยก็อาจขึ้นตามคางหรือแนวข้างที่ไม่ค่อยเห็นจากการมองตรง แต่ถ้าผิดมากหน่อยก็อาจปูดปนแบบเด่นชัดเห็นง่ายทั้งนี้ก็เป็นวิธีเตือนของธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ให้เราออกนอกทางของความดีง่ายนักส่วนถ้าผิวพธุ์ผุดผ่องมาแต่เกิดสะท้อนความเป็นคนดีมีศีลสัตย์อย่างเข้มแข็งในชั่วชีวิตก่อนอันนี้แม้นามืดด้วยโลภะโทสะหนัก ก็อาจจะยังไม่เห็นผลเร็วตาอาจต้องสะสมบาปอยู่หลายปีกว่าความหมองจะปรากฏหรือต้องคิดปรามาสหรือจาบจ่วงอริยะเจ้าด้วยเจตนาประทุษร้ายสิวถึงผลขึ้นฟ้องบาปได้สำหรับการรักษาขอแนะนำให้รักษาด้วยวิธีที่ทันสมัยตามคลินิกที่น่าเชื่อถือก่อนเพราะการใช้รูปธรรมแก้รูปธรรมนั้น ง่ายกว่าการใช้นามธรรมแก้รูปธรรมแต่หากลองเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วไม่ช่วยให้กระเตื้องก็อาจใช้ทางลัดที่เป็นไปได้ของกา ร, รวิบากดูบ้างหลักการคือทําความดีอย่างเป็นรูปธรรมแบบที่จะปรากฏเป็นภาพกระทบตางดงามผุดพองเพื่อให้ใครๆได้เห็นแล้วเกิดความชื่นชมเลื่อมใสยกตัวอย่างเช่นอาสาทําความสะอาดพระพุทธรูปตามวัด เอาแบบที่เราตระเวนไปดูเราเห็นว่าเริ่มมีคราบฝุ่นสกปรกเกาะติดถ้าลงมือขัดถูอย่างดีเป็นสิบเป็นร้อยองค์มีใจเบิกบานสดชื่นเรื่นเริงเป็นอันดีกับการเห็นพระปฏิมาแต่ละองค์ผ่องใสขึ้นคุณจะรู้สึกถึงรังสีเฉิดฉายบางอย่างที่สว่างออกมาทางใบหน้าเลยทีเดียวและสัญชาตญาณทางจิตจะบอกคุณเลยว่ารังสีเฉิดฉายประมาณนี้จะค่อยๆชนะ ค่อยๆกลบทับริ้วรอยอันไม่พึงประสงค์บนใบหน้าได้แน่ๆถ้าใจถึงยิ่งกว่านั้นลองเป็นอาสาสมัครล้างซ้วมให้พระเนนดูคุณถือเครื่องมือทำความสะอาดเดินดุยๆเข้าไปได้ทุกวัดเขาไม่ห้ามงานนี้เป็นไปตามหลักที่ว่าถ้าเอาความสกปรกออกจากวัดก็เท่ากับเอาวิบากสกปรกออกจากตัวจะมากหรือน้อยย่อมเห็นผลประจักษ์ในไม่ช้า การถวายจีวรเนื้อดีเป็นสิบเป็นร้อยผืนก็มีส่วนช่วยได้มากเพราะการถวายจีวรหรือเครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ต้องการจะเป็นบุญประเภทที่ให้ผลกับผิวหนังโดยตรงเนื่องจากอาภร์เป็นเครื่องห่อหุ้มและผิวหนังก็ทำหน้าที่ห่อหุ้มความเป็นตัวเราไว้หากจะทำกรรมที่ตรงเหตุแต่เห็นผลไม่หวือหวาทันใจ ก็ขอให้ตั้งใจรักษาศีลห้าให้สะอาดหมดจดโดยเฉพาะข้อที่เกี่ยวกับวาจาคุณต้องมีเมตตาท่วมทับเจตนาร้ายไม่พูดไม่โกหกไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดและไม่พูดเพ้อเจ้อถ้าทำได้แม้ในระดับความคิดกระทั่งรู้สึกถึงอนุภาพของศีลที่ฉายเรืองออกมาจากภายในอธิษฐานกำกับไปด้วยว่าข้าพเจ้า จะไม่เป็นผู้ประทุษร้ายตนเองและผู้อื่นด้วยคำพูดอีกขอให้กรรมคือความตั้งใจดีนี้จงชำระสิ่งสกปรกจากตัวของข้าพเจ้าแล้วให้ผลเป็นความมีผิวเนื้อที่น่าพิษไม่เหลือร่องรอยน่ารังเกียจใ ด, ดๆอีก หมายเหตุดำไว้นิดการจะระบุว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมนั้นต้องดูเบื้องต้นเด้อ ว, ว่าไม่ใช่โรคติดต่อหรือไปคลุกกับความสกปรกติดตัวมาแต่จะต้องเกิดขึ้นเองรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายแม้จะด้วยวิทยาการทันสมัยถึงหายแล้วก็กลับมาเป็นอีก